6. ชักกันนิบาตหนึ่งอุรุเวลกัสปะเทระคาถาภาษิตของพระอุรุเวลกัสปะเถระพระอุรุเวลกัสปะเทระได้กล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่าพระโคโดมยังไม่กำราบเราเพียงใดเราเห็นปฏิหารของพระโคโดมผู้เรืองยศแล้วก็ยังเป็นคนลวงโลกด้วยความริษยาและมานะยังไม่นอบน้อมเพียงนั้น พระศาสดาผู้เป็นสารีฝึกคนทรงทราบความดำริของเราแล้วก็ทรงปรามแต่นั้นเราก็ได้มีความสังเวชขนพองสยองกล้าวยังไม่เคยเป็นคราวนั้นเราละความสำเร็จนิดหน่อยของเราครั้งที่เคยเป็นฉดินแล้วบวชในพระศาสนาของพระชิ น, นเจ้าครั้งก่อนเรายินดีด้วยการบูชายันมุ่งการมาสุขติภูมิ ภายหลังถอนราคาโทสะและแม้มัวหะได้ขาดเรารู้ขันที่อาศัยอยู่มาก่อนได้ชำระทิพยจักสุให้หมดจดแล้วมีฤทธ์รู้จิตของผู้อื่นและบรรลุที่พโสตยานอันหนึ่งเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงเราบรรลุแล้ว2 เตกิชฌานิเทระคาถาภาษิโขงพระเตกิชฌานิเทระมานกล่าวว่าข้าวเปลือกเขาเก็บไว้ในช้างข้าวสาลีก็ยังอยู่ในลานข้าพเจ้าไม่ได้ก้อนข้าวบัดนี้ยังจะทำอย่างไรพระเตกิชฌานิเทระกล่าวว่าท่านเลื่อมใสแล้วจงระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระคุณหาประมาณมิได้ จะเป็นผู้มีสรีระที่ปีติถูกต้องแล้วเบิกบานใจหนึ่งเนืองท่านเลื่อมใสแล้วจงระลึกถึงพระธรรมซึ่งมีพระคุณหาประมาณมิได้จะเป็นผู้มีสรีระที่ปีติถูกต้องแล้วเบิกบานใจหนึ่งเนืองท่านเลื่อมใสแล้วจงระลึกถึงพระสงฆ์ซึ่งมีพระคุณหาประมาณมิได้จะเป็นผู้มีสรีระที่ปีติถูกต้องแล้วเบิกบานใจนึงเนือง มานกล่าวว่าท่านอยู่กลางแจ้งตลอดราตรีที่เย็นซึ่งเป็นฤดูหนาวเหล่านี้ท่านอย่าได้ถูกความหนาวรบกวนเบียดเบียนเลยนิมนต์เข้าวิหารซึ่งมีบานประตูนหน้าต่างมิชิดเถิดพระเตกิจฉกานิเถระกล่าวว่าเราจะสัมผัสอัปมัญญาทั้งสี่และจะมีความสุขอยู่ด้วยอัปมัญญาเหล่านั้นเราจะอยู่อย่างไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนเพราะความหนาวอยู่ 3. ม, มหานาคเทระคาถาภาสิทธิของพระมหานาคเทระพระมหานาคเทระได้กล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่าผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้นั้นย่อมเสื่อมจากพระสัทธรรมเหมือนปลาในน้ําน้อยผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้นั้นไม่งอกงามในพระสัทธรรม เหมือนพืชเน่าในไร่นาผู้ใดไม่มีความเคารพในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้นั้นย่อมอยู่ห่างไกลจากนิพพานในพระศาสนาของพระศาสดาผู้เป็นพระธรรมราชาผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากพระศัทธรรมเหมือนปลาในน้ำมากผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย คูนั้นย่อมงอกงามในพระศัทธรรมเหมือนพืชดีในไรนาผู้ใดมีความเคารพในเพื่อนพระมารีทั้งหลายผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้นิพพานในพระศาสนาของพระศาสดาผู้เป็นพระธรรมราชา 4. กุลเทระคาถาภาษิตของพระกุลเทระพระกุลเทระได้กล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่ากุลภิกษุ ไปป่าช้าผีดิบได้เห็นซากศพหญิงที่ถูกทอดทิ้งไว้ในป่าชา้าทั้งถูกหมูน้อนบ่อนกัดกินกุละเอย๋ยเจ้าจงพิจารณาดูร่างกายที่กระสับกระส่ายไม่สะอาดเปื่อยเน่าหลังของไม่สะอาดเข้าออกที่พวกคนเขลาชื่นชมกันนักเราใช้แว่นคือพระธรรมส่องดูร่างกายนี้ซึ่งว่างเปล่าทั้งภายในและภายนอกเพื่อบรรลุยานทัศนะ ร่างกายของเรานี้กับซากศพนั้นก็เหมือนกันซากศพนั่นกับร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ท่อนล่างท่อนบนก็เหมือนกันท่อนบนท่อนล่างก็เหมือนกันร่างกายกลางวันกลางคืนก็เหมือนกันกลางคืนกลางวันก็เหมือนกันในการก่อนกับภายหลังก็เหมือนกันภายหลังกับการก่อนก็เหมือนกัน อิสระชนผู้เพียรพร้อมด้วยกามาสุขที่เขาบำเรอด้วยดนตรีเครื่องห้าย่อมไม่ยินดีเช่นนั้นเหมือนกับเราผู้มีจิตแน่วแน่พิจารณาเห็นธรรมแจ่มแจ้งโดยชอบ 5. มาลุงกะยะบุตรเถระคาถาภาษิตของพระมาลุงกะยะบุตรเถระพระมาลุงกะยะบุตรเถระแสดงธรรมด้วยหกคถาไว้ดังนี้ว่า ตัณหาย่อมเจริญแก่มนุษย์ผู้ประพฤติประมาทเหมือนเถวย่านทรายเจริญอยู่ในป่าเขาย่อมเร่ร่อนไปมาเหมือนวานอนที่ต้องการผ ล, ลไม้เที่ยวเร่ร่อนไปในป่าตัณหาที่เลวสรามซ่านไปในโลกนี้ย่อมครอบงำบุคคลใดไว้ได้ความโศกย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางที่ถูกฝนตกรดแล้วเจริญงอกงามขึ้น ส่วนบุคคลใดครอบงำตัญหาที่เลวทามนั้นซึ่งล่วงได้ยากในโลกไว้ได้ความโศกย่อมตกไปจากบุคคลนั้นเหมือนหยาดน้ำกลิ้งตกไปจากใบบัวเพราะเหตุนั้นเราขอเตือนท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายที่ประชุมกันในที่นี้จงมีความเจริญขอท่านทั้งหลายจงขุดรากเน่าแห่งตันหาเหมือนผู้ต้องการหญ้าแฝกขุดหญ้าแฝกอยู่ มารอย่าได้ระรานท่านทั้งหลายอยู่ร่ำไปเหมือนกระแสน้ำระรานไม้ อ, อ้อท่านทั้งหลายจงทำตามพระพุทธพจน์ขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปแออักกนในนรกเศร้าโศกอยู่ความประมาทคือความเลินเล่อจัดเป็นทุลีทุลีเกิดจากความประมาท บุคคลพึงถอนลูกศรที่เสียบอยู่ในหะไทยของตนด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชาเถิด 6. สัปพทาสะเทระคาถาภาษิตของพระสัปทาสะเทระพระสัปทาสะเทระได้กล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่าตั้งแต่เราบวชมาได้2 5าพันษาไม่ได้ความสงบใจแม้เพียงดีดนิ้วมือเราไม่ได้เอกคตาจิต ถูกกามราคะรบกวนประคองแขนคร่ำครนไม่ยอมออกจากวิหารโดยคิดว่าชีวิตจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเราเราจะนำศาสตรามาคนอย่างเราจะบอกลาศิกขาทำไมเล่าควรตายเสียเถิดคราวนั้นเราได้ช่วยมิโกนขึ้นอยู่บนเตียงน้อยได้จดมิโกนเพื่อเจริญเชืออหลอดคอของตนแต่นั้น โยนิโสมนสิการก็เกิดขึ้นแก่เราโทษก็ปรากฏความเบื่อนหน่ายก็เกิดขึ้นพร้อมกันต่อจากนั้นจิตของเราก็หลุดพ้นท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามเราบรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 7. กาติยานเถระคถาภาสิทธของพระกาติยานเถระ พระกาติยานเถระได้กล่าวหกคาถาไว้อย่างนี้ลุกขึ้นนั่งเถิดกาติยานะอย่ามัวนอนหลับอยู่เลยจงเตืนเถิดอย่าให้มัจจุราชซึ่งเป็นพวกพ้องของความประมาทชนะเธอผู้เกียดคร้านด้วยอุบายที่โกงได้เลยชาติและชราครอบงำเธอเหมือนกำลังคลื่นมหาสมุทรเธอนั้นจงทำที่พึ่งอย่างดีสำหรับตนเสีย เพราะเธอไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระศาสดาที่บอกทางนี้ซึ่งล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องและจากภัยคือชาติและชราเธอจงอยาได้ประมาทตลอดยามต้นและยามปลายมันกระทำความเพียรให้มั่นเถิดจงปลดเปลื้องเครื่องผูกทั้งหลายที่เป็นของเดิมเสียใช้สอยผ้าสังคาติปลงผมด้วยมิโกนและชั้นอาหารที่เที่ยวพิกษาจารย์ได้มา อย่าเห็นแก่การเล่นสนุกสนานอย่าเห็นแก่การหลับนอนจงมันเข้าฌานเถิดกาติยานะเธอจงเพ่งฌานชนะกิเลสเธอเป็นผู้ฉลาดในทางที่ปรอบโองจากโยคะจะถึงความบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีความบริสุทธิ์อื่นใดยิ่งกว่าแล้วปรินิพานเหมือนไฟลุกโชนที่เขาดับด้วยน้ำประทีปที่มีเปลวไฟน้อยย่อมดับไปเพราะลม เหมือนเทาวันหลุดร่วงเพราะลมฉันใดเธอผู้มีโคตรเหมือนพระอินแม้เธอก็อฉันนั้นอย่าถือมั่นจงกำจัดมานเสียจงปราศ จ, จากความกำหนัดพอใจในเวทนาทั้งหลายจงเป็นผู้สงบเย็นรอคอยการปรินิพานในอัตภาพนี้แล 8. มิคชาลเถระคาถาภาษิตของพระมิฆชาลเถระ พระมิชาลเถระได้กล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธแห่งพระอาทิตย์ทรงมีพระจักษุได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วซึ่งพระธรรมที่ล่วงสังโยชน์ได้ทั้งหมดทำวัตตะให้พินาศไปสิน้นเป็นธรรมที่นำเหล่าสัตว์ออกจากสงสารเป็นเครื่องข้ามคนสงสารได้ทำรากเงาแห่งตัหาให้เหือดแห้งไป ทำลายกรรมกิเลสซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตที่มีรากเป็นพิษให้ถึงความดับพระธรรมซึ่งเป็นเครื่องกําจัดกรรมให้สิ้นสุดอันพระพุทธเจ้าแสดงแล้วเพื่อทำลายรากเง่าอาวิชชาให้ตกไปด้วยวัชิระยานเมื่อการยึดถือวิญ ญ, ญาณทั้งหลายปรากฏขึ้นเป็นทำให้รู้เวทนาทั้งหลายได้แจม่มแจ้งปลดเรื่องอุปอาทานพิจารณาเห็นพบดุดหลุมทานเพลิงด้วยยาน เป็นธรรมอย่างรู้ได้ยากลึกซึ้งห้ามความแก่และความตายได้เป็นทางประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดสงบทุกเกษมเป็นธรรมเครื่องเห็นแสงสว่างตามความเป็นจริงถึงความปลอบโปร่งอย่างมากสงบมีความเจริญเป็นที่สุดเพราะทรงทราบกรรมว่าเป็นกรรมและวิบากโดยความเป็นวิบากแห่งธรรมที่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้น 9. เชนตปุโรหิตบุตรเถระคาถาภาษิตของพระเชนตปุโรหิตบุตรเถระพระเชนตะปุโรหิตบุตรเถระไ ด, ด้กล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่าเราเป็นผู้มัวเมาด้วยความเมาเพราะชาสกุลโภคะอิสริยยศสวดทรงผิวพรรณและรูปร่างเราได้ประพฤติมัวเมาด้วยความเมาอย่างอื่นอีกเราเป็นคนโง่ถูกอติมานะกาจัด มีใจกระด้างจัดชูมานะดุจธงจึงไม่สำคัญใครๆว่าเสมอกับตนและยิ่งกว่าตนกระด้างเพราะมานะไม่เอื้อเฟือ้อจึงไม่ยอมกราบไหว้ใครๆแม้เป็นมารดาบิดาและแม้ผู้อื่นที่ควรเคารพเราได้พบพระาศาสดาผู้ทรงแนะนำเลิศประเสริฐสูงสุดกว่าสารถีทั้งหลายทรงรุ่งเรืองอยู่ดุจพระอาทิตย์มีภิกษุสงฆ์แวดล้อม จึงมีใจเลื่อมใสละทิ้งมานะและความมัวเมาแล้วกราบไหว้พระศาสดาผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทุกหมู่เหล่าด้วยเสียงกล่าวความถือตัวว่าดีกว่าเขาและความถือตัวว่าเลวกว่าเขาเราละทอนได้เด็ดขาดแล้วอาสมิ ม, มานะเราก็ตัดขาดแล้วมานะทุกอย่างเราก็ทาลายเสียแล้ว 10. สุมนณะเทระคาถา ภาษิตของพระสมณเทระพระสมณเทระได้กล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่าเมื่อครั้งเราบวชใหม่มีอายุได้เจ็ดขวบโดยกำเนิดได้ขมพญานาคผู้มีฤทธิ์มากด้วยฤทธิ์ได้ตักน้ำจากสะหญ่อโนดามาถวายพระอุปชาพระาศาสดาได้ทอดพระเนตรเห็นเราแล้วตรัส ด, ดังนี้ว่าสารีบุตรเธอจงดูเด็กน้อยนี้ผู้มีใจตั้งมั่นดีภายใน กำลังถือหม้อ น, น้ำมานี้สามเณรของพระอนุรุท ธ, ธะมีวัดหน้าเลื่อมใสมีอิริยาบทงดงามทั้งกแกล้วกล้าด้วยฤทธิ์อันพระอนุรุท ธ, ธะผู้เป็นบุรุษอาชาในฝึกให้เป็นบุรุษอาชาในผู้เป็นคนดีฝึกให้เป็นคนดีผู้สำเร็จกิจแล้วแนะนำสั่งสอนแล้วสุมาณสามเณรนั้นได้ถึงความสงบอย่างยิ่ง ทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันไม่กำเริบพระอรหัตผลแล้วหวังว่าใครๆอย่าพึงรู้จากเรา 11. นาหาตะกะมุนีเทระคาถาภาษิ์ของพระนาหาตะกะมุนีเทระพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าเธอเมื่ออยู่ในป่าใหญ่เป็นสถานที่ลำบากหาปัจจัยได้ยากถูกโรคลมรบกวนจะทำอย่างไรล่ะภิกษุ พระนหาต ก, กะมุนีเถระได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จะแผ่ปิติสุขอันไพยบูรณ์ไปทั่วร่างกายครอบงำแม้ปัจจัยที่เศร้ามองอยู่ในป่าใหญ่จะเจริญสติปัฏฐานสอินรียห้าพละหและโพชฌงเจ็ดอยู่ในป่าใหญ่พิจารณาเนืองๆถึงจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งหลุดพ้นจากกิเลสไม่ขุนมัวจะไม่มีอาสวะอยู่ อาสวะทั้งหมดของข้าพระองค์ที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกข้าพระองค์ถอนขึ้นได้ไม่เหลือเลยและจะไม่เกิดขึ้นอีกขันห้5ข้าพระองค์กำหนดรู้แล้วขันเหล่านั้นดารงอยู่อย่างถูกตัดรากถอนโคนแล้วข้าพระองค์ได้บรรลุความสิ้นทุกข์แล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก 12. บพรหมทัตตะเถระคถา ภาษิตของพระพรหมทัตตะเถระพระพรหมทัตตะเถระได้กล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่าสำหรับผู้ที่ไม่โกรธฝึกฝนตนมาแล้วเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบสงบคงที่ความโกรธจะมีแต่ที่ไหนผู้ใดโกรธต่อผู้ที่โกรธผู้นั้นเลวกว่าผู้ที่โกรธนั่นแหละเพราะความที่โกรธตอบนั้นผู้ที่ไม่โกรธต่อผู้ที่โกรธชื่อว่า ย่อมชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ที่รู้ว่าผู้อื่นโกรธเคืองแล้วมีสติสงบอยู่ได้ชื่อว่าพระพฤติประโยชน์ตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายเราชนที่ไม่เข้าใจธรรมย่อมสำคัญบุคคลผู้อดกลั้นต่อตนและผู้อื่นทั้งสองนั้นว่าเป็นคนโง่เขลาถ้าความโกรธเพิ่งเกิดขึ้นแก่ท่านท่านจงคานึงถึงพระโอวาทที่อุปมาด้วยเรื่อย ถ้าความอยากในรถพึงเกิดขึ้นแก่ท่านท่านจงระลึกถึงพระโอวาทที่อุปมาด้วยเนื้อบุตรถ้าจิตของท่านแล่นพลานไปทั้งในกามและพบท่านจงรีบข่มไว้ด้วยสติเหมือนคนห้ามปรามประสุสัตว์เือที่กินเข้ากล้า 13. สิริมันทะเทระคาถาภาสิของท่านพระสิริมันทะเทระ พระสิริมัณทะเทระเดียกกล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่าทุจริตที่ปิดบังไว้ย่อมรั่วรดที่เปิดเผยย่อมไม่รั่วรดเพราะฉะนั้นควรเปิดเผยทุจริตที่ปิดไว้นั้นเสียทุจริตที่เปิดเผยนั้นจะไม่รั่วรดได้ด้วยอาการอย่างนี้สัตว์โลกถูกมจุราชคอยขจัดถูกชรารุมล้อมถูกลูกศรนคือตันหาคอยทิ่มแทง ทั้งถูกความยากแพดเผาตลอดการสัตว์โลกถูกมจุราชคอยขจัดและถูกเชรารุมล้อมไม่มีที่พึ่งถูกเบียดเบียนอยู่เป็นนิดเหมือนโจรถูกลงอาชญาเชราพยญาทิมรณะทั้งสามเปรียบเหมือนกองไฟย่อมมาย่ำยีสัตว์โลกนี้สัตว์โลกนี้ไม่มีกาลังที่จะต่อสู้ทั้งไม่มีความเร็วที่จะหนีไป บุคคลควรทำวันคืนไม่ให้ไร้ประโยชน์เรือการใส่ใจถึงวิปัสสนาไม่ว่าน้อยหรือมากชีวิตของผู้ที่ผ่านวันคืนไปเท่าใดก็เป็นอันพร่องไปเท่านั้นวันคืนสุดท้ายย่อมคืบคลานเข้าไปใกล้บุคคลทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งหรือนอนเพราะฉะนั้นท่านไม่พึงประมาทการเวลา 14. สภพกามีเถระคาถา ภาษิตของพระสัพก พ, สพกามีเถระพระสัพพกามีเถระได้กล่าวหกคาถาไว้ดังนี้ว่า ส, สองเท้านี้ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพต่างๆหลังของไม่สะอาดออกทั่วทั้งร่างกายต้องบริหารอยู่ประจำกามคุณห้าย่อมลวงเบียดเบียนปุุชนเหมือนนายพรานแอบใช้เครื่องดักดักเนื้อเหมือนชาวประมงใช้เบ็ดตกปลา และเหมือนพราเนื้อใช้ตังดักลิงกลามาคุณห้าเหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะที่น่าชอบใจย่อมปรากฏในเรือนร่างหญิงเราปุถุชนที่มีจิตกหนัดซ่องเสพหญิงเหล่านั้นอยู่ย่อมขยายสังสารวัตรที่น่ากลัวย่อมก่อพพใหม่ไม่มีสิ้นสุดส่วนผู้ใดเว้นขาดสตรีเหล่านั้นผู้นั้นชื่อว่ามีสติ กาล่วงตันหาที่สร้างไปในโลกนี้ได้ด้วยดีเหมือนคนสลัดหัวงูจากเทา้าเราเห็นโทษในกรรมทั้งหลายเห็นการออกโบสถ์โดยความเกษมพรากจากการเสียได้ทั้งหมดแล้วได้ถึงความสิ้นอาสวะจักการนิบาศจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาดนี้คือ 1. พระอุรุเวลกัสปะเทระ 2. พระเตกิชะกานิเทระ 3. พระมหานาคาเทระ 4. พระกุลเทระ 5. พระมาลุงกยะบุตรเทระ 6. พระสัปพทาสะเทระ 7. พระกาติยานะเทระ 8. พระมิกขชาละเทระ 9. พระเชนตะปุโรหิตบุตรเทระ10พระสุมาณเทระ สิบเอ็ดพระนหาต ก, กะมุนีเทระสิบสองพระพรหมทัตตะเทระสิบสามพระสิริมันทะเทระสิบสี่พระสัพากามีเทระในนิบาทนี้มี84คาถาและมีพระเทระสิบสี่รูปฉนนี้แหล สัตกนิบาตหนึ่งศุนทรสมุทรเทระคาถาภาษิตของพระสุนทรสมุทเทระพระสุนทรสมุทเ ท, ร, ทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าหญิงแพทย์สยาตกแต่งร่างกายนุ่งผ้าสวยงามทัดทศงดอกไม้ลูกไล่ของหอมมีเท้าย้อมด้วยสีแดงได้สวมเขียงเท้ายือนอยู่นางได้ถอดเขียงเท้าประนมมือไว้ข้างหน้า พูดเล้าโลมเราด้วยถ้อยคําที่ไพเราะอ่อนหวานว่าท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นโปรดเชื่อฟังดิฉันจงบริโภคกรารมที่เป็นของมนุษย์ดิฉันจะมอบทรัพย์สมบัติให้ท่านดิฉันขอให้สัจจะแก่ท่านถ้าท่านไม่เชื่อจะให้ดิฉันนําไฟมาทําการสะบดต่อท่านก็ได้เมื่อคราวที่เราทั้งสองแก่เท่าจนถือไม้เท้าจึงค่อยบวชเมื่อเป็นเช่นนี้นับว่า ได้ใช้ชนะในโลกทั้งสองเราเพราะเห็นหญิงแพทย์สยาตกแต่งร่างกายนุ่งผ้าสวยงามประนมมืออ้อนวอนเหมือนบ่วงมัจจุราชที่วางดักไว้แต่นั้นโยนิโสมานิจการก็เกิดขึ้นแก่เราโทษก็ปรากฏความเบื่อนหน่ายก็เกิดขึ้นพร้อมต่อจากนั้นจิตของเราก็หลุดพ้นท่านจงเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามเราบรรลุวิชาสาม ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 2. ละกุณตกะพัติยะเถระคาถาภาษิตของพระละกุณตกะพัทิยะเถระพระละกุนตกะพัติยะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าพระพัติยะภิกษุอยู่ในอัมพาตการามอันสวยงามใกล้ชาทแท่งป่าได้ถอนตัญหาพร้อมทั้งรากแล้วเป็นผู้งามด้วยคุณมีศีลเป็นต้น เข้าฌานอยู่ในชัติแห่งป่าผู้มักบริโภคการบางพวกยินดีด้วยเสียงตะโพนเสียงพินและเสียงบันดอกส่วนเรายินดีในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่โคนไม้หากพระพุทธเจ้าพึงประทานพรแก่เราและหากเราพึงได้รับพร น, นั้นเราจะพึงรับกายคตาสติที่ชาวโลกทั้งมวลควรเจริญอยู่ประจำเราชนที่ดูหมิ่นรูปร่างเราแต่ชมเสียงเรา ชื่อว่ายังตกอยู่ภายใต้อำนาจฉันทราคะย่อมไม่รู้จักเราคนโง่เขลาถูกกิเลปิด ก, กั้นไว้โดยรอบไม่รู้ทั้งภายในไม่เห็นทั้งภายนอกย่อมถูกชักจูงไปตามกระแสเสียงแม้คนที่ไม่รู้ภายในเห็นชัดแต่ภายนอกชื่อว่าเห็นแต่ผลภายนอกย่อมถูกชักจูงไปตามกระแสเสียงส่วนคนที่มีความเห็นไม่ถูกปิด ก, กัน้น รู้ชัดทั้งภายในเห็นแจ้งทั้งภายนอกย่อมไม่ถูกชักจูงไปตามกระแสเสียง 3. ามพัฒเทระคถาภาษิของพระพัทเทระพระพัทเทระได้กล่าวคถาเหล่านี้ว่าเราเป็นบุตรคนเดียวจึงได้เป็นที่รักของมารดาบิดาเพราะเหตุว่ามารดาบิดาได้เรามาด้วยการประพฤติวัดและการบวงสวงมากมาย มารดาบิดาทั้งสองนั่นแหละมุ่งหวังความเจริญแสวงหาประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์เราจึงได้น้อมนำเราไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยกราบทูลว่าบุตรชายคนนี้ข้าพระองค์ทั้งสองได้มาโดยยากเป็นสุขุ ม, มาลชาติได้รับแต่ความสุขข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกข้าพระองค์ทั้งสองขอถวายบุตรสุที่รักคนนี้ไว้เป็นคนรับใช้พระองค์ผู้ทรงชนะมาร พระศาสดาทรงรับเราแล้วได้รับสั่งกับพระอนนทเทระว่าจงบวชให้เด็กนี้เด็กนี้จกเป็นผู้รอบรู้ได้รวดเร็วพระศาสดาผู้ทรงชนะมารครั้นทรงสั่งให้บวชให้เราแล้วก็ได้เสด็จเข้าพระคันธกุฎีเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ทันอัสดงคตพอเริ่มวิปัสสนานั้นจิตของเราก็ได้หลุดพ้นแล้วแต่นั้นพระศาสดาทรงออกจากพระสมาบัตินั้นแล้ว เสด็จออกจากที่เรนทรงรับสั่งกับเราว่าพัทธะเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเพราะวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของเราเราเกิดมาได้เจ็ดปีก็ได้อุปสมบทได้บรรลุวิชาสามน่าอัศจรรย์จริงความที่ทาเป็นธรรมดี 4. โซโปากะเทระคาถาภาษิตของพระโซปากะเทระ พระสโสปากกเธระเรียกกล่าวคถาเหล่านี้ว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านราชนเสด็จจงกรมที่ร่มเงาแห่งพระคันธกุฏีได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ซึ่งเป็นบุรุษผู้สูงสุดแล้วถวายบังคมณที่นั้นได้ข่มจีวรเฉวียงบ่าประนมมือเดินจงกรมตามพระองค์ผู้ซึ่งปราศจากกิเลสดุธุลีสูงสุดกว่าสรพสัตลำดับนั้น พระองค์ได้ตรัสถามปัญหากับเราเราเชี่ยวชาญรอบรู้ปัญหาทั้งหลายจึงไม่สะทกสะทานและหวาดกลัวได้พยากรณ์ถวายพระศ า, ศาสดาเมื่อเราแก้ปัญหาถวายเสร็จแล้วพระตถาคตทรงอนุโมทนาแล้วทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ได้ตรัสเนื้อความนี้ว่าเป็นลาภของชาวอังคะและชาวโมคตที่โสปา ก, กะภิกษุนี้บริโภคจีวรบินตาบัดเสนาสนะ และกีฬานปัจจัยและได้ตรัสถึงการต้อนรับและสามีจิ ก, กรรมของชาวอังคะและชาวมังคตเหล่านั้นว่าเป็นลาบของพวกเขาโซปากะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจงมาพบเราและการแก้ปัญหานี้แหละจงเป็นการอุปสมบทของเธอเราเกิดมามีอายุได้เจ็ดขวบก็ได้อุปสมบทแล้วยังทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่น่าอัศ จ, จริง ความที่ทำเป็นธรรมดี 5. ้สรพังคะเทระคาถาภาษิตของพระสรพังคะเทระพระสรพังคะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเราได้ใช้มือหักต้นแขมทากระท่อมอยู่อาศัยเพราะเหตุนั้นเราจึงได้มีชื่อโดยสมมุติว่าสรพังคะวันนี้เราไม่ควรใช้มือทั้งสองหักต้นแขมอีก เพราะพระสมณโคโดมผู้เรืองยศทรงบัญญัติศิกขาบททั้งหลายสำหรับพวกเราแล้วเมื่อก่อนเราผู้ชื่อว่าสระพังคะไม่เคยได้เห็นโรคครบบริบูรณ์โรคนี้นั้นเราผููทําตามพระดารัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพได้เห็นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิขีเวสภูกะกุสันทะ โกนาขมณะและกัสสปะได้ทรงดำเนินไปโดยทางใดแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมก็ทรงดำเนินโดยทางนั้นพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ประสจากตันหาไม่ทรงยึดมั่นอย่างถึงความดับเสด็จอุบัติโดยธรรมกายผู้คงที่ได้ทรงแสดงธรรมนี้คืออริยสัตว์สอันได้แก่ทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุก และทางที่ดำเนินไปให้ถึงความสิ้นทุกข์ด้วยทรงอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ทุกข์อันไม่มีที่สุดในสังสารวัตย่อมเป็นไปไม่ได้ในนิโรธที่ทรงแสดงไว้เพราะกายนี้ดับไปและเพราะชีวิตนี้สิ้นไปพบใหม่ไม่มีอีกเราเป็นผู้หลุดพ้นดีแล้วจากสรพพกิเลสและพบทั้งปวงสัตตกนิบาจบรวมเรื่องพระเทระ ที่มีในนิบาตนี้คือ 1. พระสุนทรสมุทเทระ 2. พระละกุนตกะพัทยเทระ 3. พระพัทะเทระ 4. พระโสปากะเทระ 5. พระสรพังคะเทระในสตักกนิบาตนี้มีพระเถระห้ารูปและมี35ขาคาถาฉ น, น้แล ทกนิบาทหนึ่งมหากัจจายนะเถระคาถาภาษิตของพระมหากัจจายนะเถระพระมหากัจจายนะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุไม่พึงทํางานก่อสร้างให้มากพึงเว้นห่างหมู่ชนไม่พึงขนขวายเพื่อประจบสกุลภิกษุผู้ขนขวายนั้นชื่อว่าติดนิรถย่อมละทิ้งประโยชน์ที่จะนําความสุขมาให้ ด้วยว่านักปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวการไหวและการบูชาในตระกูลทั้งหลายว่าเป็นเปลือกตมเป็นลูกศร อ, อันแหลมคมซึ่งถอนขึ้นได้ยากเป็นสักระที่คนชั่วละได้ยากภิกษุไม่พึงแนะนําให้คนอื่นกระทํากรรมชั่วและไม่พึงส่องเสกกรรมชั่วนั้นเสียเองเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ คนเราจะเป็นโจรเพราะคำพูดของผู้อื่นก็หาไม่จะเป็นมุ้นีเพราะคำพูดของผู้อื่นก็หาไม่และบุคคลรู้จักตนเองว่าเป็นอย่างไรแม้เทพทั้งหลายก็รู้จักเขาว่าเป็นอย่างนั้นพวกอื่นย่มไม่รู้ว่าพวกเราย่อยยับอยู่ในโลกนี้บรรดาชนเหล่านั้นชนเหล่าใดรู้แจ้งอยู่ความทะเลาะวิวาทกันย่อมระ ง, งับได้จากสำนักของคนเหล่านั้น ผู้มีปัญญาถึงจดสิ้นทรัพย์ก็เป็นอยู่ได้ส่วนคนมีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาก็เป็นอยู่ไม่ได้บุคคลย่อมได้ยินเสียงทุกอย่างด้วยหูย่อมเห็นรูปทุกอย่างด้วยตาส่วนนักปราดไม่พึงละทิ้งทุกอย่างที่ได้เห็นที่ได้ยินผู้เป็นปราดนั้นถึงมีตาดีก็พึงทำเป็นเหมือนคนตาบอดถึงมีหูดีก็พึงทาเป็นเหมือนคนหูหนวกถึงมีปัญญา ก็พึงทําเป็นเหมือนคนใบ้ถึงมีกําลังก็พึงทําเป็นเหมือนคนอ่อนแอครั้นเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นแล้วถึงจะนอนในเวลาใกล้จะตายก็ยังทําประโยชน์ให้สําเร็จได้ 2. อสิริมิตตะเทระคาถาภาษิตของพระสิริมิตะเทระพระสิริมิตตะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุใดไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธ ไม่มีมายาไม่ส่อเสียดภิกษุนั้นคุ้มครองทวารไว้ได้ทุกเมื่อละไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ภิกษุใดไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่มีมายาไม่สอเส pinpoint. ียดมีศีลงามภิกษ <ENCE conviction, S 2> ุนั้นละไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ภิกษุใดไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธไม่มีมายาไม่สอเสียด เป็นกัลยาณมิตรภิกษุนั้นละไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ภิกษุใดไม่มะกรธไม่ผูกกรธไม่มีมายาไม่ส่อเสียดมีปัญญาดีภิกษุนั้นละไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกในโลกหน้าด้วยข้อปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้ผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลและมีกัลยาณธรรม ที่พระอรียเจ้าปราถนาและสรรเสริญผู้ใดมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ทั้งมีความเห็นตรงพระอรียเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงควรประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมไว้เนื่งเนือง ส ม, มหาปันทกะเถระคาถาภาษิตของพระมหาปันธกเทระพระมหาปันทกเถระเรียกกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าเมื่อใดเราได้เฝ้าพระาศาสดาผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนเป็นครั้งแรกเมื่อนั้นเราได้มีความสังเวชเพราะได้เฝ้าพระองค์ผู้เป็นบุคคลสูงสุดผู้ใดพึงใช้มือและเท้านวดพระาศาสดาผู้ทรงสิริซึ่งเสด็จมา ผู้นั้นพึงยังพระาศาสดาให้ยินดีเช่นนั้นหาได้ไหมคราวนั้นเราได้ละทิ้งบุตรพัญญารัพย์และเข้าเปลือกปลงผมโกนหนวดออกบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศิกขาและสาชีพสำรวมด้วยดีในอินทรีทั้งหลายนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้มาณต่อมาความมุ่ง ม, มั่นที่จิตเราปรารถนาไว้ว่า เมื่อเรายังถอนลูกสอนคือตันหาขึ้นไม่ได้เราไม่พึงนั่งเปล่าแม้เพียงครู่เดียวเจิญท่านดูความเพียรและความบากบั่นของเรานั้นผู้อยู่อย่างนี้เราได้บรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้ถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่มาก่อนได้ชํามระทิพยจักสุให้หมดจดแล้วเป็นพระอรหันต์ผู้ควรแกทักษิณาหลุดพ้นแล้วไม่มีอุปทิกิเลต ต่อเมื่อราตรีสิ้นไปพอดุงอาทิตย์ขึ้นไปเราได้นั่งขัสมาธิทำตัณหาให้เขือดแห้งไปได้หมดอัตกะนิบาศจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาตนี้คือ 1. พระมหากัจจายณะเทระ 2. พระสิริมิตะเทระ 3. พระมหาปันธกะเทระในอัตกะนิบาศมีพระเทระสามรูป และมี24คาถาชนนี้แล 9. นวกนิบาทหนึ่งภูตะเถระคาถาภาษิตของพระภูตะเถ ร, ระพระภูตะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่า เมื่อใดบัณฑิตกำหนดรู้ทุกว่าชราและมรณะเป็นทุกข์ที่ปุถุชนทั้งหลายผู้ติดอยู่ในเบญจขันไม่รู้แจ้งเป็นผู้มีสติเข้าฌานอยู่เมื่อนั้นย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสรฐยิ่งกว่าความยินดีในวิปัสสนามรรคและผลนั้นเมื่อใดบัณฑิตละตัณหาที่สร้างไปในอารมณ์ต่างๆอันนำทุกมาให้นำทุกันเกิดเพราะความต่อเนื่องแห่งปปัญจธรรม มีสติเข้าฌานอยู่เมื่อนั้นย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความยินดีวิปัสนามรรคและผล น, นั้นเมื่อใดบัณฑิตสัมผัสทางอันสูงสุดปลอดโปรง่งที่ให้รู้ถึงมรรคมีองค์8เป็นที่ชำระกิเลสได้หมดด้วยปัญญามีสติเข้าฌานอยู่เมื่อนั้นย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความยินดีในวิปัสนามรรคและผล น, นั้น เมื่อใดบัณฑิตเจริญสันตบดซึ่งไม่มีความเศร้าโศกปราศจากกิเลสดุธุลีอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เป็นที่ชำระกิเลสได้หมดตัดกิเลสเครื่องผูกพันคือสังโยชนั้นย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความยินดีในวิปัสสนามรรคและผลนั้นเมื่อใดกรองคือเมฆพรางพลูไปด้วยสายฝนคำรามอยู่ในท้องฟ้า ซึ่งเป็นทางไปของฝูงนกโดยรอบและภิกษุผู้อยู่ประจํามเมืองภูเขายังเข้าฌานอยู่เมื่อนั้นก็ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความยินดีในฌานนั้นเมื่อใดบัณฑิตพีจิตเปิกบานนั่งเข้าฌานอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําทั้งหลายซึ่งดารดาดาไปด้วยดอกโกสุม่มมีดอกไม้ป่าเป็นช่อสวยงามเมื่อนั้น ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความยินดีในฌานนั้นเมื่อใดมีฝนฟ้าร้องในเวลากลางคืนฝูงสัตว์ที่มีเขี้ยวงาก็พากันยินดีในป่าใหญ่ที่สงัดและภิกษุผู้อยู่ประจำเมืองภูเขาเข้าฌานอยู่เมื่อนั้นก็ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความยินดีในฌานนั้นเมื่อใดภิกษุกำจัดวิตกทั้งหลายของตนได้เข้าถ้ำภายในภูเขา ปราศจากความกระวนกระวายใจปราศจากกิเลสที่ตรึงใจโดยสิ้นเชิงเข้าฌานอยู่เมื่อนั้นย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความยินดีในฌานนั้นเมื่อใดภิกษุมีความสุขกจาจักกิเลสที่เป็นมลทินที่ตรึงใจและความโศกได้ไม่มีกลอนประตูคืออวิชชาไม่มีปาคือตัณหาปราศจากลูกสอนคือกิเลสทั้งทมอาสวะให้สิ้นไปได้หมด เข้าฌานอยู่เมื่อนั้นย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐยิ่งกว่าความยินดีในฌานนั้นนวักกาิบาตจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาดนี้คือหนึ่งพระภูตะเทระที่เห็นทาโดยท่องแท้เป็นดุจนอแรดรูปเดียวและในนวกกาิบาตมีเก้าคาถาชั้นนี้แล